มีอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถช่วยพวกเราในขณะที่วิกฤตภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมานะจริงๆแล้ววิกฤตภูมิกันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเกิดเวลาไม่ได้เพิ่มเกิดมันเกิดมาจริงๆอ่ะเข้าใจว่า่ในสมัยก่อนโน้นๆก็น่าจะมีนะก็น่าจะมีเพราะว่าดูจากภูมิปัญญาของไทยดเดิมเนี่ยสังเกตดูว่า เขาจะทำบ้านให้ถุงสูงใช่ไหมบ้านให้ถุงสู ง, สงซึ่งลักษณะยอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของภูมิปัญญาเดิมว่ามันต้องมีอะไรที่อย่างหนึ่งนอกเหนือจากการที่เราเข้าใจว่าเออเอาถุงใบใช้งานแต่อันนึงที่เราสังเกตเลยว่าน้ําพัวมาครั้งนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านที่สร้างติดกระดิ่งใช่ไหมเสียหายอย่างชัดเจนมากส่วนบ้านคนที่ยกถุงสูงเนี่ยเสียหายน้อยกว่าถ้าเทียบกัน เร่งปูปัญญาท้องกิ่นไปแล้วขนาด น, นี้ก็เกิดขึ้นจากการที่คนโบราณๆเนี่ยก็มีประสบการณ์นะเหมือนกับคลื่น t s u n a m ที่เกิดขึ้นอย่างรู้แต่ทะเลทางใต้นี้มัมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้เราเคยฟังท่านเป็นคนที่กาะภูมิเพราะแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยจะสั่งด้วยนะฮะจะสั่งไว้เลยว่าจา่บ้านเนี่ยต้องหงางจากฝั่งเนี่ยสกสองสามกิโลนะฮะห่าจะสั่งสองสามกิโล เพราะอะไรก็เพราะเนี่ยครื่องยักที่เราเคยเจอมาที่มันฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันลึกเข้ามาเป็นกิโลนะนั่นถ้าเราไปสร้างอยู่ริมทะเลหรือว่าใกล้าะเลอก็นะจะทําให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขอกว่าลูกลักเนี่ยนะก็จะให้อยู่ในในนะคนที่มีที่อยู่ชายทะเลเนะลูกรักเนี่ยนะเขาจะให้สร้างป้าหรือว่ายกที่ดินให้อยู่ในในส่วนลูกทางเนี่ยจะยกที่แถวทะเลให้ อันนี้กลายกลับเป็นว่าคน people, เร า, years, าไม่มีประสบการณ์ในช่วงชีวิตของเรานะใช่ไหมประมาณสักร้อยปีเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์อันนี้แล้วทำให้ค่านิยมมาเปลี่ยนไปนะสร้างบ้านขึ้นอยู่ริมริมทะเลริมริมน้ำนะยิ่งแพงเดียกลายเป็นว่าลูกช่างเนี่ยได้เปลียบนะลูกลักนะกลับเป็นคนเสียงเปรียนเราก็ไปสร้างบ้านอยู่ตามใหลเขาใช่ไหมท่ามท่ามุ้ยใกล้ใกล้ไม่น้ำอะไรต่างๆ่างเลย เรื่องใจที่บาครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นมาน่จริงๆแล้วผมเข้าใจว่ามันคงเคยเกิดมาอยู่หลายครั้งแต่ว่าในช่วงที่เราห่างไกลจากประสบการณ์นั้นมากๆเลยทำให้เราเราไม่เข้าใจวิธีการรับมือในแง่ของการ ส, สร้างต่างๆและอีกจุดหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเยอะก็คือว่าไม่เคยมีใครคิดว่าน้ำจะเยอะขนาดนี้ใช่ว่ยคาีหาที่เยอะมากสุดก็คือคนที่มีความคิดอย่างนี้ไม่น่าจะ ใช่ไหมเราจะมีความคิดอย่างนี้นะบ้านของพี่สาวที่คนแทบไม่ทำเนี่ยก็คือสอบถามคนในพื้นที่แล้วว่าที่นี่นะตั้งแต่เกิดมามีคนรู้ท่านหนึ่งอายุสักเจ็ดสิบกว่าปีบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเจออย่างนี้นะอย่างมากกระท่วมไม่นิดหน่อยขณดปีสามแต่ที่ท่วมเยอะๆเนี่ยที่นี่ที่ที่บ้านที่ส่วนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเราก็เลยทําบ้านแบบผมก็ยกขึ้นมาสูงหน่อยหนึ่ง เนตเอง น, นบ้านที่สาวว่าเอาเสียจิตดีเลยผมสูงนิดหน่อยกขอบนิดหน่อจะดีก็ทำดาบฟาวาพอมันมาจริงๆเข้าเราก็ชาวบ้านเองก็ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะแล้วคงไม่มาบ้างเนี่ยยกขยับหนีนิดนึงอย่างเงี้ยใช่บ้านที่อยู่หมู่บ้านในหมู่บ้านตูวีของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้นไม่น่าจาับใช่ไหมคำว่าไม่น่าจาับเนี่ยเกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีประสบการณ์ ใช่มครัแต่โดยในความหมายหนึ่งก็คือความประมาณนะเจ็บนะครัความประมาทเพราะว่าเราไม่เคยอยู่กับการเราก็คิดว่ามันไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวพอมันท่วมมาจริงๆก็ความเสียหายมันจึงเยอะมากแต่ก็ยังดีกว่าพวกที่โ่นมถล่มด้วยนะำท่วมลงมาเจ็บนะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยบ้านทั้งเสียหายแล้วก็มีความสูญเสียชีวิตมากกว่าตรงของเราเนี่ยผมว่า ยังดีกว่าที่แ้าจะไม่มีเกียงชีวิตเลยถ้าถ้าถ้าไม่ได้ไปพลาดในการเล่นน้ำหาปลาหรือว่าตกหลูกตกหมอส่วนใหญ่ก็จะคุนข้าวสมของหนีเจอาหายก็จะเป็นเรื่องของข้าวของแต่ว่าชีวิตนะก็ยังยังยังคงดีได้นี่สภถ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ไปเนียผมเข้าใจว่า ส่วนหนึ่งก็อาจจะดูว่าน่าจะมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมว่าที่หนึ่งก็คือความเสียหายเรื่องารากดใช่ไหมน้ําัลงน้ํามันล ง, นนลงความเสียหายผลไมากา ก, ากไม้บ้านช่องเอ้ยข้าวของที่มันจมน้ําอยู่มันเริ่มรากฏความเสียหายให้เห็นนะแต่อย่านหนึ่งก็คืออาจจะทํำให้เรารู้สึกว่าทุกน้อยไม่ทุกไม่มากก็คือว่าเวลาที่มันท่วมมามันเป็นเดือนแล้วเริ่มทิน จะเริ่มเินเรื่องตับใจได้เริ่มงําใจได้บ้างอรอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่มาถ่วงดุลทำให้เรารู้สึกเพียกไม่มากนะมีผู้ป่วยเยอะมากขึ้นนะทุกที่ผมเข้าใจว่าที่ทำให้เกิดสภาพทุกทางใจที่ออกอยู่ในรูปของความเพียรนอนไม่หลับบความดัาขึ้นเอออะไรเอนะ อาการทางกายที่มีความแปรปรวนตามมาจากการทางจิตใจมีเกิดขึ้นนะไม่มากก็ น, น้อยนะครับไม่มากก็ น, น้อยอันนี้คือสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาประมาณเดือนกว่าแต่เราได้ยินดูแต่หลังจากนี้ไปช่วงที่น้ำลดช่วงที่กลับมาอย่างสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏนี่ะผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความเสียใจซึมลึก ตอนเต้าหมองแบบตึมลึกเงียบๆมีผู้ลุงท่านหนึ่งบ้านแกก็ไม่มีอะไรนะบ้านแกก็เป็นกระต้อธรรมดามีขุดปาเลี้ยงปลาแกกลับรปเห็กระต้อแกที่อยู่น้าท่วมนะปลาที่เลี้ยงไว้แล้วก็เนียกว่าตาหมดนะแกร้องไห้แกร้องไห้แล้วก็รำกรรึงรำันว่าหมดแล้วหมดฟูหมดแล้วหมดเนื้อหมดตัว นะจริงๆแล้วเนี่ยสภาพอย่างนี้เนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นได้มากหรือได้น้อยในี่จริงแล้วผมว่าอยู่ที่การเป็ีนตัวของเร่ไหมคนที่มีความทุกข์มากหน้าสังเกตว่าไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะไม่เคยคิดถึงความทักกล้ไม่เคยคิดถึงภัคยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนดีนะบาคนอยู่ในสีไนธทําด้วยทำใจเนี่ยแต่ใภัที่บัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ยกเลยใช่ไหม ก็ยังถูกไปที่หวานเล่นี่ก็มีคำถามว่าแล้วธรรมะจะช่วยอะไรเขาได้จริงๆคำถามที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าธรรมะมันเหมือนเปียบเหมือนอย่างนี้อรัว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยากจะกินแต่มม่วงใช่ไหมเราก็จะปลูกแต่มม่วงนะอยากไปปลูกแต่มม่วงยากกินมะม่วงเร็วๆด้วยเราก็ไปซื้อกี่ตอมาปลูกใช่ไหมเพราะมันออกดอกออกผลเร็ว ส่วนมะพร้าวเนี่ยนะเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็น้ำท่วมก็ไม่ตายด้วยแต่เราไม่อยากกินนะ่ะเราอยากกินมะม่วงวเราอยากได้เงินจากการขายมะม่วงเราก็เลยปลูกมะม่วงแล้วก็ไม่ไดสนใจมะพร้ า, าวอนะไรพอน้ำท่วมเดือนหนึ่งนะมะม่วงตายเรียบเลยนะโดยเฉพามะม่วงที่ปลูกโดยกิ่งตอนะตายเรียบเลยแต่มะพร้าวยังอยู่ ถ้าโดยเฉพาะชมาท้าวที่โตคนน้ำแล้วเนี่ยนะมาท้าวนี่ยังอยู่นะแต่เราไม่ได้ปลูกผักข า, าแล้วเราจะกินมาท้าวได้ยังไงใช่ไหมถึงตอนนี้เนี่ยของกินของเราที่ควรจะได้กินเนี่ยไม่มีนละ้เราต้องหอิวยากเห็นของคนอื่นก็มีคาวามอยากเปรียบเหมือนกับบุคคลเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่เคยคบค้าสมาคมกับธรรมะใช่ไหมไม่เคย อันธรรมะเข้ามาหาตัวเราล้วอจริงๆแล้วก็คือว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมนั่นนะไม่ได้สนใจไม่ได้พินิษพิจารณาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้พินิษพิจารณาตามคําสอนคําแสดงที่แม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยนะได้แสดงไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนได้รับทราบนะเราไม่เคยเราได้แค่ยินว่าธรรมะเนะี่ยบางทีเราก็จําหูดนีนะแต่ถ้าได้ยินเสียงเพลงนะ เ, เสียงตลกโปกฮาเสียงู้ที่มันไร้สาระาแต่มันถูกหูเลยนะหูเราก็ผื่นใช่ไหมพร้อมที่จะส่งจิตส่งใจเพื่อเกิในไปกระตินั้นแต่ธรรมะเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่พระองค์พูดในเรื่องของความจริงเราก็่เคยเก็บมาคิดไม่เคยมาพิจรารณาใช่ไหมนะรั้นแทนที่เราก็จะถามว่าธรรมะจะช่วยให้เราอะไรก็ได้นะต้องถามย้อนกลับไปว่าแล้วคุณคบกับใคร เราควบการทำมากหรือเป่าเหมือนกับว่าเราจะปลูกแต่มม่วงแต่ไม่ปลูกมะพราะ้าวมะพร้าวมันเป็นพืชที่มันทนนะ้ำพอน้ําท่วมมันไม่ตายยังออกดอกออกผลได้นะครับแล้าสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนเราเทุกข์มากในยามที่ภัยพิบัติมาถึงตัวเนี่ยก็เพราะว่าไม่เตรียมตัวไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจไม่เตรียมการไม่เตรียมความพร้อมของชีวิต ที่ยังเผื่อจะพายที่บ้านเพราะว่าเราห่างเหินจากพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัพพจ้านะครับนี่คือเหตุผลที่ที่สําคัญมากที่สุดที่ทําให้คนเราต้องทุกข์มากในคราวที่เกิดภัยพิบันเกิดขึ้นและเป็นที่รู้กันดีหรือว่าที่เข้าใจกันดีว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยย่อมไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับแต่เกิดขึ้นบ่อยมากน้อยขนาดั้น ก็ต้องค่อยว่าว่างไปแต่แน่นอนว่ายุคหลังตื่นพุทธการเนี่ยสถานการณ์ที่จะพิคลายในทางที่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดการที่เกิดภยัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นวัคซีนอย่างดีนะเป็นวัคซีนอย่างดีแม้ว่าบางคนอาจจะเจ็บตัวหน่อยนะแต่ว่า เท่าของที่มันสูญเสียไปเน่ยมันยังมีค่ายังมีคุณมีค่าน้อยกว่าความมีชีวิตอยู่ของเรามากใช่ไหมสิ่งมีชีวิตหรือว่าความเป็นมีชีวิตเนี่หละเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่ามากที่สุดนะฮะท่านที่เปิดไว้ว่าชีวิตเนี่ยเป็นของที่มีค่าประเมินไม่ได้มีราคาที่ประเมินไม่ได้ในสมัยที่เกิดโลกตาฉะนั้นไข้หวัดนกต่าง เศรษฐกิจแทบล่มสลายเพราะว่าคนจะเดินทางไปประเทศที่ติดเชื้อไข้หวัดนกไม่เอาแล้วเงิ่อนมีเงินรออยู่ที่สิบสามสิบล้านร้อยล้านงแต่แดนนั้นเป็นแดนที่มีไข้หวัดนกนะหรือว่าตาระบาดอยู่ก็พร้อมที่จะวางเห็นไมเพราะเห็นกับชีวิตเพราะจริงๆนะเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทุกคนหรือว่าไม่ป่าทุกชนิดมันรักชีวิตมากที่สุ นะครับรักชีวิตมากที่สุดเพราะจริงๆแล้วการที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถือว่ายังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ น, นการที่เราคิดว่าโอเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบุราบราหรือว่าแม้แต่ที่เราคอยกล่าวเตือนกันก็คือนะอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราสร้างเอาใหม่ได้ใช่ไหมเราหาเอาใหม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอก ถ้าเราไม่เคยทําจิตทําใจทำใจไม่เต็มไม่เคยศึกษามไม่เคยฟังถึงความพัดพลาดถึงความทุกข์ที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยจะทให้เราไม่อยู่ในสภาพที่จะพร้อมรับกับความทุกข์อันนี้ที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะไม่มากก็ น, นอยดังนันการเกิดภัยริบัยครั้งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ถึงถือว่าเป็นวัคซีนอย่างดีเป็นการมาสอนามาสอนคนไทย สอนให้เห็นถึงความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นความไม่แน่นอนของชีวิตนะความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับทรัพย์สินที่เรามีอยูนะ่มันก็ไม่ใช่ของของเราจริงๆนะเห็นไม่ชัดเจนมากอย่างที่สวนนะครต้นไม้ใบไม้กําลังออกดอกออกผลสีสันสวยงามนะเราก็มันมีความสุขกันนะแต่เชื่อขนาด หนึ่งวันสองวันนะมัก็จมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดเนี่ยผ่านไปเดือนนึงกลับไปดูตอนนี้นะะละเนลหน้าคหมดเลนะต้นกล้วยล้มละเนละนาคถอนล่าถอนโคนนะต้นสักตายนะต้นแห้งเปล่าหน้าต่าๆเห็นไหมธรรมชาติมันสอนเราได้อย่างชัดเจนมากนะเนี่เป็นการสอนที่มีพลังที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไม่น้อมใจเข้ามาสอนเราเองนะเราจะทุกข์ฟรีเราจะทุกข์ฟรีนะ ความทุกที่เกิดขึ้นมาถ้าเราใช้ความทุกข์ประนั้นนะที่มันเกิดขึ้นกับเราใช้ไปในทิศทางที่มันถูกต้อ ง, องนะครับอย่างอย่างเช่นวัคซีนเขาก็คือเอาตัวเชื้อโรคเนี่ยไปทําให้มันอ่อนแรงจนะแล้วก็มากระตุ้แล้วก็ผลิตเป็นปุ่มุ้อกันขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าวัคซีน ต, ตัวนั้นนะมันแรงเกินไปแนละ้วมันก็ฆ่าเจ้ของได้นะสมมุติบางเออว่าไอ้เราไปเจอไอ้เราที่ฆ่าเชื้อได้อ่อนแรง ลบไปนิดหน่อยมีกําลังมากเพรือว่าไปเจอคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องวัคซีนนะก็พร้อมที่จะฆ่าเจ้าของมันแทนที่มันจะกระตุ้นภูมิคมกันแต่ว่ามันจะฆ่าเจ้าคนที่ถูกฉีดก็เหมือนกันชีวิตที่ไม่มีภูมิคุมกันนะครับชีวิตที่อ่อนแอตัวชีวิตที่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องเป็นเรื่องของจิตใจเพราะร่างกายกุดยังก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันไม่มีโรคภายเดียดเดือดเป็นปืนเติม นั้นชีวิตตัวที่แท้จริงเนี่ยก็คือตัวจิตใจ้ถ้าจิตใจของเราเนี่ยไม่มีปุลคุ้มกันกมไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เคยไปวิดพิจารณาอันนี้ยแสดงว่าปุลคุ้มกันของเราเนี่ยบกพร่องโดยอัตโนมัติเลย<ม>วัคซีนเข้ามาโดยคนทั่วไปก็ไม่ได้เกิดพิษเกิดภัยะแต่คนบนนั้นอาจจะต า, ายได้เหมือนกับใครบางคนที่เกิดขึ้นมาบางคนถึงกับผูกคอตายนะบางคนถึงกับฆ่าตัวตาย บางคนทุกข้ามปีนะครับบางคนเป็นโรคถึงเตร้าและอีกเยอะๆมากๆนะที่จะแฝงเล่นอยู่ในระยะเวลาที่กว่าจะฟื้นขา้น้าถ้าเรา พ, พิจรารณาไปหน่อยน้องเข้ามาสองตัวเราให้เห็นชีวิตําความเป็นจริงและภูมิใจกับการที่เราได้ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยนะโอ้มันดีมากน ะ, นะหรือบางคนเนี่ย อาจจะใช้วิธีการคิดเทียบ ก, กับคนอื่นนะครับคิดเทียบ ก, กับคนอื่นแล้วงอย่างพี่สาวเนี่ยไปอยู่บนหลังคาดาบฟ้าพอ ข, ขับรถมาเห็นคนที่อยู่บนถนนเนี่ยโอ้โหเราอยู่บนดาบฟ้าดีกว่าเยอะเลยนะฮะมีไฟฟ้าใช้ด้วยนะเพราะพี่เขยเขาต่อไฟฟ้าึี่เป็นคนดาบฟ้าสับงธบิตใหม่แ้นบ้านเรายังคงมีตู้เย็นใช้มีทีวีดูมีพัดลมเปิดมีเตาแก๊สมีการให้ไม่นนไม่ลําบาก แต่คนที่อยู่ข้างถนนนี่นะตัวเอยห้องนะเอยสารพัดสารกินพอมาดูเห็นชีวิตอย่างนี้เนี่ยโอ้เราเราดีกว่าเขาตั้งเยอะนะอันนี้ก็เป็นวิธีการมองตามบามเป็นจริงได้เหมือนกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้เราเล่นน้อยเรายังน้อยคนอื่นหนักหนาตาใากกว่าเราเยอะอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกอ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะผ่อนคลายความทุกข์ในใจของเราเนะ ด้วยอันหนึ่งเราอาจจะมองในลักษณะที่ว่ามันเป็นกรรมของ น, นะครับมันเป็นกรรมของถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาในคำสอนนะสิ่งใดนๆนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีคําว่าโชคไม่มีภาพว่าบังเอิญไม่มีคํ า, า, าออคว่าดวงนะครับมันเป็นเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรมที่เรียกว่าวิบากกันจริ ง, งนะครับและสุข ก็เกิดขึ้นจากฝีมือของเราจากการที่เราทําเหตนอันดีกันไว้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราก็เป็นฝีมือของเราด้วยเหตุที่เราทํากรรมไม่ดีเพรามายังไงฮะแล้วถ้าเราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเราก็จะเลิกกามอ้อนวอนของเราและมุ่งมั่นกับการทําเหตุซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นการทําที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดที่ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเวานอนจะมาอ๋อเนี่ย เป็นผลจากเราเคยทํากรรมไม่ดีไว้อะไรก็ไม่รู้แหละไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่ต้องไปหารายละเอียดก็ได้ว่ามันเป็นเป็นกรรมอะไรแต่ให้สรุปลงไปเลยว่านี่เป็นวิบาก ท, ที่เราเคยทำไว้แล้วจะทํายังไงต่อไปละ่ะเห็นไหมพอเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของกรรมก็คือ ก, ก, าการกระทําสิ่งที่เราทําได้ก็คือการทํากรรมปัจจุบันให้ดีที่สุดกรรมที่เราทําทำผ่านกี่ทางมันก็ทําได้แค่สามทางใช่ไหมฮะก็คือ ทางกายที่เรียกว่ากายกรรมทางคำพูดที่เรียกว่าวจีกรรมแล้วก็ทำความคิดนึกเขาเรียกมโนกรรมแล้วก็มีอยู่แค่สามทางเท่านี้บาปบุญคุณโทษต่งางๆ<ม>นะครับที่จะมีผลเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ย<ม>ก็ทำผ่านแค่สามทางนี้เท่านั้นทางกายวาจาและก็ใจแต่กายกับวาจาเนี่ยมันเป็นเรื่องของตายมันเป็นผลพวงที่สืบเนื่องมาจา ก, กจิตใจอีกทีนะใช่ไหม ภาษาไทยเราก็ระบุว่าชัดเจนเลยจิตเป็นนายการเป็นบาวอันนี้เราฟังกันจนคุ้นชินเป็นอย่างดีดังนั้นสูงสึกที่มันเป็นเครื่องมือในการบงการชีวิตของเราเลยก็คือจิตใจจิตใจที่หลงผิดจิตใจที่มันมีความไม่รู้จิตใจที่มันมีความพยานอยาบจิตใจที่มีความยึดมั่นถึงมั่นมากมันก็จะทําคําพูด การกระทำทางกายทางวาจาออกไปในลักษณะที่มันคิดนึกยึดถือไปตามนั้นแ น, แน่นอนว่าผลมันก็คือความทุกข์ใช่ไนะผลมื่ก็คือความทุกข์แล้วถ้าทำอาคุโสผลมันก็คือความทุกข์อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะเคยพูดให้ฟังอยู่ mm hmm. อย่ายึดมากอยากมากทุกมากใช่มฮะยึดน้อยอยากน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่อยากเลยไม่ทุกเลย และไอ้ยึดยึดหยาบหยาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ยึดยึดหยาบหยาก็เป็นเรื่องของใจนั้ิ้นเห็นไหมนงั้นท้ายที่สุดเลยก็คือภาวะที่อ่อนในที่สุดของสังคมในปัจจุบันนี้ก็คือสภาวะที่จิตใจไม่มีสติปัญญานะครับปล่อยจิตใจไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกนึกคิดปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดครอบนาจิตใจ หนะลงฟุ้งฟูงแต่งยึ้มนั่นหรือมั่นเพราะว่าไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตนั้ญย้อนกลับมาเลยก็คือว่าถ้าเราพินิษพิจารณาตับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้การนําประสบการณ์ครั้งนี้มาทบทวนมาแต่งต้องจะเป็นการให้อาหารเสริมกับจิตใจของเราเพราะว่าอันนี้เป็นความจริงที่เรียกว่ามีกําลังมากที่สุ ไปสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาเนีเราซ้อมดับเพลิงน ะ, ะหรือว่ามอนซ้อมอุบัติเหตุหมู่เนียสนุกไหมไม่สนุกเลยนะจืดมากใช่ไหมแต่พออุบัติเหตุตุ้มจริงๆเนี่ยโอ้โหนะได้รสชาติได้เหตุการณ์ได้พบสภาพปัญาจริงๆรู้ทางนี้ทีไรรู้ข้อบกพร่องรู้ข้อได้เสียรู้ข้อเสียเปียกนะฮะการที่ไปสมมุติสร้างเหตุการณ์ขึ้นมามันไม่ได้ของจริงแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะทรงอุทิศตนมากที่สุด นนในช่วงระหว่างที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราต้องรีบน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสู่ตัวเองถึงความไม่แน่นอนของชีวิตต่อไปก็คือว่าเอ๊ะเราจะเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมชีวิตของเราอยนะ่างเห็นไหมครัการเตรียมตัวไม่ได้หมายความว่าเลิกทำน ะ, ะต้นไม้ไม่ปลูกมแล้วเว้ยปลูกไปเดยกน้ํำก็มาอีกนะแล้วจะรู้ได้ไงว่าน้ํามันจะมาหรือไม่มาใช่มครัแต่ว่าการเตรียมตัวในที่นี้ก็คือว่าการเฝ้าระวัง การเตรียมใจเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดการเตรียมบ้ ai, ai, or, มานเตรียมช่องนะฮะการเตรียมข้าเตรียมของเนี่ยก็เตรียมไว้แน่นอนเราเตรียมไว้แต่การเตรียมใจเป็นสิ่งที่ฉุกเฉิที่สุดเป็นเรื่องรีบร้อนที่สุดเพราะการเตรียมใจที่ไม่พร้อมจะรับกับความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะเข้ามาใน ah, ชีวิตของเรานะรอย่างที่เราตรวจมน อ, อย่างนี้นนะความเกิดความแก่ความตาย ความทัดทาอจากของรับของชอบใจการพบปะศุที่ไม่เป็นที่นับที่พอใจอยากอะไรปารถนาสิ่งแดงไม่ได้จริงนะั้หนไรู้แต่เป็นที่มาของความทุกข์ทีกข์นั้นถ้าเราเตรียมใจพร้อมที่จะรับกับสปานการณ์อย่างนี้โดยแม้แต่การเตรียมในระดับความคิดนึกเนี่ยก็มีประโยชน์อย่างมากนะนี่การเตรี่ยนระดับความคิดนึกนะแล้วมันมีการเตรียมตัวอิริศหรือการเตรียมจิต การสุขจิตสุขใจให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้แล้วรู้จักชีวิตของตัวเองตามความตืน่นติการสุขจิตที่แท้จริงเนี่ยการเจริญสติที่มีเป้าหมายก็เพื่อว่าให้เรากลับมารู้ชีวิตตัวเองตามความตืน่นริสังเกตไหมครับว่าเขาเ็ลมจัดเรื่องของความทุกข์ไว้ว่าการเกิดการแก่ความตายเป็นทุกข์ใช่ไหม ความพลาดพลาดจากของรากของเท่าใจเป็นทุกควาประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ปพอใจเป็นทุกปาญนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกแต่ตอนสุดท้ายนะท่านขโวดปมลงไว้สรุปลงมาอะไรครับว่าอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนะฮะอุปาทานคือความยึดมั่นถือมัน่นขันทั้งห้าเถื่อนขันทั้งห้าก็คือขันของเรานี่แหละตัวเรานี่แหละก็ะคือตัวขันห้างั้นการปัญหา ทั้งหลายทั้งมดของความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นมาจากการที่เราหลงผิดเราหลงผิดนะเราเข้าใจผิดเราหลงผิดเข้าใจผิดเลยยึดถือตัวตนยึดถือขันธ์หน้าอันนี้ว่าเป็นเรายึดถือว่ามันเป็นเรานะยึดถือร่างกายนี้ความรู้สึกเจ็บปวดนะความนึกความคิดความรู้รสึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราคิดว่ามันเป็นเราเป็นตัวตน เป็นตัวเป็นตนนะเป็นตับบุคคลเราเขาเป็นไปอย่างนั้นความยึดมัน่นถือมั่นอย่างนี้เกิดขึ้นมานี่ยแหละทําให้เกิดเมื่อมีอะไรกระท บ, บที่มันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นของของเรา ท, ทำให้เกิดความทุมกข์เกิดขึ้นดีฉะนั้นน้ำท่วมอ่างทองนะสิงห์บุรีไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้สึกอะไรนะใช่ไหมไม่รู้สึกอะไรแต่พอนักรบว่าน้ําท่วมสิงห์บุรีแล้วเนี่ยใกล้บ้านเราแล้ว เข้าตลาดและโอ้เราจะเป็นยังไงเห็นไหมเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายเกิดขึ้นแ้วแต่ถ้าท่วมยังทับบุรีอยู่เชียงใหม่เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเรารู้สึกเฉยๆแต่พอเจอกับตัวเองหรือเรใกล้กับตัวเองขึ้มมนมาเนี่ยเราจะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจภาษาเขาวา่าเดือดเนื้อร้อนใจนะครับนั้นอาการที่เรียกว่าเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยก็เป็นอาการที่มันสืกเนื่องจากความยึดถือในความเป็นตัวตนของเรา ยึดถือในความเป็นของของเรานะดันั้นจุดนี้เองเนี่ยที่ทําให้เกิดเรามีความทุกข์ ม, มากดังนันการปฏิบัติธรรมที่แท้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อทําลายความเห็นผิดนะการมีสติเฉลิมชย์เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมานแต่เป็นไปเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองนะกลับมาศึกษาตัวเองว่าไอ้ตัวเราที่เรียกว่าเป็นเราเราเราเนี่ยมันไม่ใช่เราจริงนะทีนี้ถ้ามันคิดเอาเนี่ยมันคิดได้เหมือนกันแต่ว่า จิตมันจะไม่ยอมรับอย่างแท้จริงงนั้นการเจริญสติจึงเป็นหนทางเดียวนะะที่จะทําลายความเป็นปิดไได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการเจริญสติหรือว่าสติสัมปทาเนี่ยนะเป็นทางอันอีกนะเป็นทางที่จะนำเราดับไปสู่ความพ้ทุกข์ได้โดยทิ้งเชิงนั้นวิถีชีวิตที่ถูกต้องที่สุดนะที่เราควรจะเตรียมใจเตรียมกายของเราในการที่จะรับมือกับปิกปิดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่ อ, อไหร่ก็คือการปลุกจิตปลกใจใ ห, ให้มีสติสัมปชัญญะ เพื่อที่จะกลับมาดูตัวเองดูตัวเองไปเรื่อยๆนะครับการมีสติก็คือการรู้ตัวเองอยู่นะกายมีการเคลื่อนไหวยังไงมันมีความทุกข์หรือมีความสุขมันเป็นของสวยหรือเป็นของไม่สวยมันเป็นของมีตัวตนหรือของไม่มีตัวตนอาศัยการตามรู้อย่างนี้เรื่อยๆการจิตใจเราเห็นดูวมันมีเที่ยงไหมความรู้สึกของเราแต่เช้าตื่นนอนเป็นยังไงตลอดตอนนอนใจิตใจเราเราเปลี่ยนตลอดเวลา นะการตามรู้อย่างนี้เราอาศัยกาลังของสติก็คืออาศัยการมีความรู้เรื่องรู้ตัวที่เป็นปัจจุบันิขนะการตามรู้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะของการที่เราจะได้ความจริงนะเราต้องการความจริงเน่มันะธรรมะคือความจริงนะฮะธรรมะคือความจริงนี้ถ้าเกิดเราตามรู้ไม่ถูกต้องนะฮะเรามีการปฏิบัติที่มีการเพ่งการจ้องนะหรือว่าการดักรู้ไว้นะกดข่มไว้เราย่อม ดห็นความไม่จริงของมันมากกว่าความเป็จริงเพราะว่าการที่ไปกดเพ่งเจ้งหรือว่ากดขมไว้เนี่ยไม่ปล่อยให้ร่างกายไม่ปล่อยให้จิตใจมาแสดงความเป็นจริงของมันออกมาเนะทําให้เราเข้าใจว่าเราควบคุมมันได้พอเราควบคุมมันได้ก็มีตัวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเช่นเรานั่งนะเรานั่งมันชาเนี่ยนะโอ้เราเอาชนะมันได้นมันปวดเราเอชนะมันได้เกิดความิดีพอใจขึ้นมาเห็นไหม โอ้เราทำได้อะไรนะทาได้เพราะตรงจุดนี้เนี่ยสำคัญการตามรู้เนี่ยเป็นจริงที่ถูกต้องที่สุดนะถ้าเราต้องการความจริงเราต้องการรู้ใครสักคนนึงว่ามีพฤติกรรมมีนิสัยอย่างไรเราก็อาศัยการสะกดรอยตามไปเรื่อยสังเกตเข้าไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ไปยืนจ้องหน้าเขาไว้แล้วดูว่าเขาจะทำยังไงเนะี่เขาจะพูด ตอย่างไงเขาจะกินข้าวยังไงเขาจะเข้าห้องน้ำนํำนานไม่ได้อาบน้ําเร็วน้ำช้าเห็นไหมฮะนั่นถ้าเราต้องการความจริงของชีวิตของเราว่ามันเป็นยังไงตัวเราที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะเราก็อาศัยการตามรูดด้โดยอาศัยการมีสติกับปัจจุบันกันอย่านี้เรื่อยไปนี่แหละจะการเตรียมตัวที่จะรับภัยพิบัติที่ดีที่สุดว่าผลอะไรที่มันเกิดขึ้นกับสับสินภายนอกนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากนะ แต่ถ้ามันเกี่ยวเรื่องกับกายกับใจของเราเนะียเกี่ยวเรื่องของรงเราเนพอมาถึงจุดนี้เ น, นี่ยเราจะทุกข์กันมากนะครับเพราะแกนสารของพุทธศาสน า, า, า, าเนี่ยคืออยู่ที่การเจริญสติหรือว่าการมีสติเนะี่ยถ้าขาดสติซะแล้วอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะทําให้เจริญได้ต่อให้เราจะคิดนะปล่อยคิดละคิดวางขนาดไหนก็ล้วแตดีเหมือนกันนะนะได้คิดนะและคิดได้ แต่ท้ายสุดเราต้องวางความคิดให้เป็นปล่อยวางความคิดได้ปล่อยวางอารมณ์ของตัวเองเป็นถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยทุกข์ในชีวิตของเราจะลดลงเั้นะปัยที่ปัจจุมันเกิดขึ้นมาเราจะไม่ไปกะทบสะทานกับมันนะคเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมันเหตุปัจจัยที่มันถานมมแล้วันแก้ไม่ได้นะเราทําดีที่สเป็นปัจจุบันเนี่ยจบละหมดฝีมือของเราแล้ว หมดปีมือของเราแล้วดันั้นเราต้องต้องเฝ้าสังเกตอยูดด่ตัวเราเนี่ยเพื่อที่จะดูความคิดดูจิตใจที่มันคิดนึมันคิดดีคิดไม่ดีอารมณ์ดีอารมณ์ไมด่มดีซึ่งมันจะมีทผลส่งไปทางคําพูดทางการกระทําทางกายซึ่งจะมีผลเป็นกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยก็อยู่ที่การควบคุมนับต้นความคิดนี่นั้นถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขแม้ว่าในชาตินี้หรือว่าในอนาคตนะถ้าเราเชื่อว่า เราต้องเกิดอีกนะก็ท่ากระเตรียมตัวก็เตรียมตัวตรงนี้นะครับเริ่มต้นกับการมีสตนะิเริ่มต้นจริงๆอะ่ะอาจจะต้องพิจรารณาใช้ความคิดนะน้อมเอาภัยที่บัตรครั้งนี้เข้ามาสู่ตัวเราเองน้อมถึงความไม่แน่นอนของความชีวิตนะครับน้อมถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตของสิ่งแวดล้นอมของเหตุปัจจที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างไรส์ พอเราน้องก็มาเสร็จปก๊บเราจะมีความไม่ประมาทเกิดขึ้นเห็นไมครัไม่ประมาทเกิดขึ้นความไม่ประมาทเมื่อมีกับผู้ใดนะถ้าเราทําลงไปด้วยอะไรอะไรไปไม่ว่าทําำาจทางวาจาทำใจด้วยความไม่ประมาทนะมันจะเป็นจตกกุโลธรรมล้นล้วนะครับจะเป็นจตกกุโลธรรมล้นล้วซึ่งวิบากลุ่มผลของการกระทำที่แต่กุศลธรรมก็คือความสุขนะครับแต่ท้ายสุดเลยู็ถือว่า เราต้องรู้ความจริงของชีวิตของเราให้ได้เพราะตัวปัญหาที่แท้จริงเนี่ยก็คือชีวิตของเราถ้ามันยังคงเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนะี่ยความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาพระเจ้าเราปุบเพุทธศาสนาเกิดมาในประเทศไทยนะเราต้องคบหาการยานมิตรคบหาบัณฑิตนะครับนะอันสูงสุดเลยก็คือของพระพุทธเจ้าประธานคทางสองของท่านน้อมนาศึกษาฟัง ขงพระครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วทีนีพิจารณาตามมัจริงไหมมันถูกไหมคํำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยผมเชื่อได้ร้อยเปร์เซ็นเลยนะด้วยความมั่นใจเพราว่าไม่เคยสอนให้คนทําความชั่วและแน่นอนเลยว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแน่ๆการที่เราทำนะเช่นไปนั่งสมาธินะเดินโยกกมแล้วเรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเพียรู้สึกขี้เกียจ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสที่มันเดือดร้ อ, อนมันไม่ใช่ชีวิตของเราเนาะไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของความขี้เกียจ เ, เ, เ, เป็นเรื่องของอะไรหรเป็นเรื่องของกิเลสที่มันคอยขัดขวางให้เราไม่ทำกรรมฐานมันต่อไปเนี่ยพอเ ร, เราไปนอนเล่นนะโอ้มันไม่เคยมากลัวเราเลยนะไม่เคยมาท่วงเลยแต่พอเราเดินจงกลมหน่อยนี่ยนะ15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มมาแล้วหยุดเนิดนะทักดีกว่าร้อนแล้วเมื่อยแล้วเห็นไมครั ทำแล้วจะได้อะไรเริ่มหลังเรสงสัตว์เห็นไมาเริ่มมาทำหน้าที่ของมันเลยเพราะมันกลัวเราจะหลุดมือมันไป น, นั้นถ้าเราเห็นความสําคัญของมันจริงๆเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเห็นถึงความไม่ปอดทัยเห็นถึงภัยของวัตตะสงสารจากในที่เรายังต้องเกิดอยู่เราหนีไม่พ้นไป ท, ที่บททัตดพวกนี้หรอกเพราะมันเป็นของคู่โลกนะครับมันเป็นของคู่โลก สุขทุกข์นะมันเป็นของคู่โลกการเกิดการตั้งอยู่การดับไปมันเป็นของคู่โลกนะเจเลนที่สุดตั้งอยู่ระยะหนึ่งก็ต้องมีการเกิดไปดับไปเป็นของคู่กันเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจากไปที่เรายังเวียนอยู่ในวัฏฏะเราก็ต้องเ่อกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางหลีก ห, หนีพ้นะนะครับท่านทางที่ดีสุดนะแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ของการศึกษาหรือว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนานนก็คือว่าการที่เราต้องออกจากวตาตสังสารเนี่ยยุดติการเรียนใจเกิดตัดภพตัดชาตินะครับซึ่งไอการตัดภพตัดชาติเนี่ยข้างนอกมันตัดไม่ได้เราต้องตัดที่ในใจของเราเนี่ยเพราะใจเราเนี่ยมันเป็นตัวนําเกิดไอตัวนําเกิดก็คือตัวกิเลสตัวความไม่รู้ตัวความคิดนึกมรสงแต่งเนี่ยมันตุ้มไปตลอดนะเนี่ยเราเห็นหน้าใคร คนที่เราไม่พอใจมันก็ตรุงเช้าถึงวันเย็นนะครับเราเห็นเสื้อสีแดงเราก็ปูงมันเห็นเสื้อสีแดงที่ไหนก็ตรุงมันไปตลอดนะเท่าที่เราเห็นสีแดงอยู่เรื่อยๆนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้พยายามที่วิกฤตของชีวิตของเราเกิดขึน้นั้นสําคัญมากเลยก็คือเรื่องของการตั้งสติให้เป็น วิกฤตตา่างๆภัยพิบัติต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญะไม่มีปัญญาที่จะรับมือเลยทุกนะมีแต่ทุกข์กับทุกข์หันหน้าไปทางไหนก็มีแต่ทุกข์หาที่พึ่งไม่ได้เราจะพึ่งภายนอกได้ก็กลอคนมาให้แจกข้าวสารอาหารให้ช่วยเหลือเรื่องของร่างกายความเจ็บไข้ได้ปวดแต่เรื่องของทุกข์ใจก็มีแต่คำปลอบใจอย่าคิดมากนะ ใช่ไหอย่าคิดมากนะอย่าเครียดนะอย่าเครียดนะรัชการก็เลยอะไรขึ้นมาคลายเครียดนะจับว่ายอย่าจับเรือแข่งเรืออะไรที่มันดูตลกโปกนะเป็นการปลดเปลื้องความทุกข์นะครพอทุกคนกลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องของตัวเองนะความเศร้าหมองความเครียดความไม่สบายใจลึกๆ ก, ก, ก็กลับมานับหัวใจของเราอยู่ต่อไปนนะนั่นแหละคือวิธีการแก้ไขทางโลกครับ แ, แข่งเ ร, งรื่องของร้อกระทุ้งบ้าดูทําะไรที่มันตลกฮกาก็ดีเหมือนกันนะแทนที่คนมันจะคิดมากนะอย่างน้อยจิตใจมันได้ว้นบ้างสักสองสามชั่วโมงก็ดีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหมอเลยสาละแข่งสารจริงๆไม่ได้ไม่ไม่ช่วยได้จริงๆหรอนะเหมือนยาทาราเพิ่มฮอมนกิตแก้ปวดหัวแต่โรกนะตับไทซินาเซีเยมน้องเต็มไปหมด ไม่ได้แก้ไขที่สายเลยจริงๆเพราะนไข่้องกลับมาแน่ๆความเจ็บปวกต้องกลับมาแน่ได้งนั้นในครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นครั้งที่ดีนะนครั้งที่ดีอาจจะเป็นการเกินภัยครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติก็ได้ของประเทศไทยก็ไดนะอาจจะมีรอบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะถ้าเรารีบใช้วิกฤตครั้งนี้นะเป็นจุดตั้งหลัก <c oughs> ใช้เป็นที่ตั้งของความไม่ประมาณผมว่า มันจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สี่จีแต่ถ้าเราพลิกไม่เป็นนะเราจะถูกวิกฤตทับเงนทับผมนะจมดินจมโคลนแตกกระแสน้ําอ่เนี้ยฉะนั้นอันนี้เเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมด่วยวัฒนธรรมไายเรื่องของการสุขจิตสุขใจเราสนใจศาสนานะเรารู้ศาสนา เราเห็นไม่แค่ว่ามีพะโกนหัวของพระเจ้มสักบาททำบุญหรือสติในวันพระวันโกนะแต่ตัวแกนสารจริงๆเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยแทบจะไม่รู้เลยอาจจะเรียกว่าหลงลืมไปเลยก็ไดนะ้แต่เราะฉั้นสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องของการเจริญสตินะสติสติเนี่ยนถะือว่าเป็นข่าวดีที่สุดนะการมีสติ การเจริญสติถือว่าเป็นการส่งข่าวบังอย่างเรียกว่าเป็นข่าวสารที่เป็นมงคลเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจเจริญสติใหม้มากแล้วการจเจริญสติก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความวิเศษวิโสอะไรไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ได้อิทธิปฏิหารโชคล่ามนะเอเหินเดินอากาศได้นะหรือว่าเห็นอดีตคนอื่นเห็นจิตใจคนอื่นนี่ไม่ใช่ การมีสติสัมปชัญญะที่แท้จริงก็คือกลับมาดูตัวชีวิตของตัวเราเองเพื่อให้มันเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วเป็นไงเห็นความจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นมันจะน้อยลงเมื่อความยึดมั่นลดน้อยถอยลงความทะยานอยากของจิตใจมันจะลดลงผลจากการที่มันยึดมันอยากน้อยลงนะอย่างที่บอกมันก็จะทุกข์น้อยลงนะพร้อมที่จะรับความเป็นจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขเราก็ไม่เคลิเคยในกองสุขเพราะเรารู้ว่ามันไม่แน่ เวลาทุกเกิดขึ้นเราก็ไม่จบกลับสหับความทุกข์กันนะพ่อมันก็ไม่แน่ถ่านเบื้อธาท่านมีคำเทศเที่สรุปไว้ดีมากมากเขาบอกว่าเมื่อมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคราวใดที่มันมีการได้เกิดขึ้นให้รู้จักว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะ การที่เราเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยทําให้เราไม่เพลิดเพินมัวเมาลุ่มหลงไปในขณะที่เรายังมีบุญคุุมครองชีวิตของเราอยู่ใช่ไหมร่างกายเรายังแข็งแรงนะเรายังกืนอาหารลงคอได้อยู่เจมูกยังได้กลิ่นอยู่ตายังมองเห็นอยู่แข้งขายัางเดินไปไหนมาได้อยู่ไปไหนมาไหนได้อยู่เนยะอันนี้นะฮะบุญท่วมหัวแล้วนะเนะีนะ่ยบุญท่วมหัวแล้วนะเนะีนะ่ยบุญคลุกคลองเราอยู่ แต่พอบุญบุกล่ำเมื่ อ, อไหร่นะเราจะเริ่มเป็นไข้ได้ป่วยเริ่มมีโรคเดือดเดือดนะฮเริ่มบุญบกุกร่ำละในขกาดียวกันเมื่อมันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้พิจารณาอยู่เสมอว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปได้เหมือนกันนะทําให้เราไม่เลยัวจมปลักกับความทุกข์อันนั้นนะฮะเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสุขและทุกข์ยังคงอยู่ในวงเวียนของลักษณะที่เรียกว่าใจรัก มีค่าเสมอกันสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงเสมอการถ้าเรายึดสุขเนะแน่นอนความทุกข์มาเยือนเราจะทุกข์มากพอความสุขที่เรายึดไว้แต่พอเราไม่ยึดสุขเนะความทุกข์มาเยือนแต่ทจปุ๊เราก็จะไม่ทุกข์ปตามความทุกข์อันนั้นนะคงั้นถ้าเรารักใครมากที่สุดเรารักตัวเองมากหรือเราก็จะทุกข์เพราะตัวเองมากสุดนะบางคนรักอขาตัวเองมากที่สุดเลย ขาสวยขางามขาแข็งแรงขาแข่งทองนะนักบุญบอลแข่งทองนานงก็โอ้โหน้องสวยแต่ทำประกันไว้เดี๋ยวโรคที่มันเกี่ยวกับขาเนะ่ยจะทำความทุกข์ให้กับตัวคนนั้นอย่างมากเรารักลูกมากเรารักสามีมากรักภรรยามากเราก็จะทุกข์เพราะความรักอันนั้นนะแล้วทำยังไงเราถึียงจคทั้งรักแล้วก็ไม่ทุกข์ก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจของเรา ให้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงนี่แหละะดนั้นเรื่องของการมองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันให้มากๆส่วนยหญ่เราจะมองโลกตามความคิดของเังตามความชอบของเราตามความไม่ชอบของเราตามความเกรงกลัวของเราที่เรียกว่าอัคติเรามากักจะมองโลกในแะง่นะี้ยอะไรที่มันถูกใจเราเนี่ยเราด้เห็นว่ามันดี อะไรที่ไม่ถูกใจเราเราจะเห็นว่ามันไม่เข้าท่านะสิ่งผิดๆสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันมีผลกระทบกับตัวเราเนี่ยเราไม่ค่อยกล้าเจชิญหน้านี่เป็นความเสียหายหรือ่อเป็นหายหน้าที่สําคัญที่สุดของสังคมคือการไม่กล้าเผชิญหน้ากันกับความผิดผิพยายามที่จะหลบเลี่ยงพยายามที่จะกบเกื่อนแต่ไปพูดกันรับหลังนะไปยินทางกันรับหลังไปพูดกันรับหลัง แต่พอให้มาคุยกันสะเทือนหน้ากันไม่กล้าคุยหรอกมันดีทุกอย่างนะเธอดีคุณดีแต่พอรับหลังลนะโโนะแล้วโอ้โหสารพัดที่จะขุดขึ้นมาสารยามนี่เพราะอะไรเพราะว่าใจของตัวเองลำเอียงไม่รู้ฐานตัวเองนะภาษาก็ว่านะลำเอียงใช่ไหมลำเอียงพอ ม, มันลำแล้วเอียงซะปุ๊บนะมันจะมองก็มองถี่แล้วใช่ไหม สมมติมีลําไม้ไผ่แล้วตั้งเอียงไว้นะมื่อมองไปตามที่มันเอียงนะลําเอียงเพราะกลัวลําเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะหลงลําเอียงเพราะว่าไม่พอใจเรากลัวมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เรากลัวถ้าเราจะพูดไอ้ที่กลัวก็อที่กลัวกลัวตัวเองลําบาก กลัวที่จะเดือดร้อนดั้นั้นนี่เห็นถึงว่าสิ่งานั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีต้องแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกเห็นไหมนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็มาจากใจที่มันไม่มีที่พึ่งใจที่มันยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นถ้าเราจะทําให้สังคมมันเป็นธรรมเหนั้นแล้วก็ต้องทํำทำให้มันปราบปรามใจของเราทำใจของเราให้มันเป็นธรรมแี่ยไม่ลำเอียงจะทําให้เรามองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ กล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีสีที่ถูกต้องเราก็จิดดีสนับสนุนส่งเริมเนีนะันั้นการที่มีทุกภัยเกิดขึ้นมาเนี่ยกานที่เราไปสอบใจเอาที่เจอเนยมันถึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสนับสนุนแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีโดที่คนคนนั้นทำนะเขามีศักยภาพแค่แค่นั้นนะครับดน้นการที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่า อาจจะให้แง่คิดมุมมองะในบางประเด็นนะในบางมุมมองที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทําให้คนที่ประสบภัยน้ำท่วเนี่ยได้กลับไปคบคิดนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยขอให้ฟังด้วยจิตใจอสงบนะจริงๆต้องบอกวันนี้ตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยต้องฟังด้วยความตั้งใจต้องตั้งใจฟังด้วยความสงบแล้วก็พิจารณาตามนะครับถ้าฟัง ด, ดีเราจะได้ของดีเราจะได้ความเป็นดี แล้วถ้ายิ่งเราน้องเข้าไปในตัวเราเองแล้วก็พิจารณาและนาไปปฏิบัตนะิผมค่อนข้างมั่นใจเลย ว, ว่าทุกของคนคนนั้นจะน้อยลงนะครับทุกของคนคนนั้นจะน้อยลงที่สาคัญที่คือของพุทธศ า, นะธธธธรราสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นศาสนาของการลงมือกระ ท, ทําเพื่อเป็นกรรมวะว่ากรรมะกรรมวะคือการลงมือทำ อยากแต่ไม่ทำํำอยากผลนทุกข์ไม่อยากมีความทุกข์อยากมีความสุขแต่ถ้าลงมือทานี่ น, นะก็ไปไห้รอดอนะครับดันั้นพระเจ้าจึงสรุปลงมาของการที่เราเป็นแก่นสารของพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการที่เรารละชั่วให้เรารละชั่วให้ทํากรรมดีให้มากและท้ายสุดก็คือผู้เราจับว่าให้ทําจิตใจให้บริสุทจิตใจที่บริสุทก็คือจิตใจที่มีความรู้ อย่างถึงที่สุดนะครับจะจากความไม่รู้เลยที่เป็นเนะครับซึ่งจะเป็นที่มาของตัวกิเลสตัณหาอุปาทานความไม่รู้เป็นพ่อเป็นแม่ขนี่ น, นะนั้นคนทุกคนถ้ายังไม่หมดจิตกันแล้วนะครับเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยมีความไม่รู้ของบ้านของเมืองอยู่นะนั้นที่ไอ้นี่ละจะเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งผลจากการที่มัน บ, บังคับกลไกของจิตใจของเราอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุบาทานผะลก็คือความทุกขใจจุดเริ่ต้น ง, ง, ง่ายๆของชีวิตของเรานะก็คือคิดให้เป็นคิดให้ถูกคิดตามความเป็นจริงหลังจากนั้นให้วางความคิดแล้วมาเจริญสติให้รู้จักชีวิตตามความจริง น, นี่แหละครับจะเป็นสูตรสาเร็จของชีวิตจะเป็นยาสามัญประจําใจที่ช่วย ให้เราเนี่ยออกจากความทุกข์ได้เรียกว่าอย่างถามวมได้จริงๆใครทําได้มากใดน้อยก็ว่ากันไปนะัะ